เกิดมาในโลกนี้มันหาความสะดวกสบายได้ยากเป็มทีให้พิจารณาให้มันเกิดนิพพิธาความเบื่อนายอย่าไปเห็นแก่อามิตรสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมาเป็นเครื่องติดเครื่องผูกพันอยู่ในโลกอันนี้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททางหลายก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททางหลายตื่นตัวเห็นว่าภัยทางหลายมันมีอยู่รอบด้านเช่นอุทกาภัยภัยคือน้ําท่วมนั่นก็ปรากฏอยู่แล้วน้ำท่วมแล้วก็นําความเสียหายมาให้ แกประชาชนาทำนาไว้น้ำท่วมเข้าก็าตายเลี้ยงปลาไว้ในบ่อน้ำท่วมนม้ําน้ำท่วมบ่อมาปลาก็นี้งปลูกพืชต่างๆไว้ในที่ลุ่มน้ําท่วมก็าตายด้วยบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ในที่ต่ํา น้ำท่วมก็อยู่ไม่ได้เดือดร้อนกันต้องอพยพหนีน้ำนี่เรียกวุฒกาัยบางลายก็ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำน้ำล้นฝั่งมาอย่างรุนแรงพัดเอาบ้านที่ไม่แข็งแรงให้พังไปเลยเข้าของเงินได้ก็ไม่มีเหลือ มูนีนะควรเอามาเป็นอารมณ์พิจารณาให้เห็นว่าภัยดังกล่ามานี้มันมีประจำโลกของพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกเอามาเปรียบเทียบในทางธรรมว่าคนเรานี่หลับไหลไม่รู้ตื่นไม่ตื่นตัวไม่กลัวต่อภัยทั้งหลายเหมือนอย่างคนนอนหลับนอนไหลกลางคืน แล้วน้ำหลากมาพัดพาเอาม่านช่องเสียหายไปตัวเองก็จมน้ำตายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ใดปล่อยให้ความโลภโกรธหลงกิเลสต่างๆท่วมท้นจิตใจแล้วใจก็มืดมนอนทการทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้ กิเลสมันไม่มันบังคับไม่ให้ทําความดีไม่ให้ฝึกตนกิเลสมันบังคับจิตให้ยึดให้คล้องอยู่ในขันทั้งห้าอันนี้หรืออยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เป็นไปลายตามหน้าของกิเลสนั้นเช่นนี้ผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย ตายแล้วจิตวิญญาณก็เลรอนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้ทำบุญกุศลก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสุขความสบายให้ละโลกนี้ไปแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้เพราะบุญน้อยดังนั้นพระโรมาสซาดาจึงได้ทรงตักเตือนให้พุทธบริษัทมีสติ ธรรมวจิ ญ, ญญาตื่นตัวว่าภัยทั้งหลายมันมีอยู่ทั้งภายนอกทั้งภายในนอกจากอุธกาภัยแล้วก็อักขีภัยเดี๋ยวไปไปนอนในพัดขาวว่าภัยไหมฮมันไม่ใช่ไหมบ้านกระตบกระแทบธรรมดานะไม่ตึกไม่ลา สิบชั้นยี่สิบชั้นนุ่นพังพินาศลงมาอย่างนี้คนก็ทำงานอยู่ก็ตายตึกมันพังลงทับเอาโจรภัยอาวันดีคืนดีโจรมันได้ช่องมองเห็นบ้านไหนพอจะปล้นได้มันก็ปล้นเอ า, ข, าขัดคืนมันก็ฆ่าเจ้าของทราบตายแล้ว คนเอาทรัพย์สมบัติของผู้นั้นไปสงครามไาวันดีคืนดีกันหน่อยก็เกิดเกิดสงครามขึ้นมารบราข้าฟันกันผู้ที่ไ ม, ม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็พลอยมาตายตายด้วยลูกระเบิดบ้างตายด้วยการอพยพหนีลูกกระสุนไป นอนกลางดินกินกลางหญ้าโลกภัยเบียดเบียนเอาตายอยู่กลางดินกลางหญ้าไปมือนี้นะนี่เราเรียกว่าโจระภยัยอ่ะอสงครามภายัยอ่ะมันมีแต่ภยัยอ่ะโลกสันิบาตอันนี้มันนี่ภยัยภายในได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นภยัยเป็นประจำอยู่กับชีวิต หลีกเลี้ยงไม่พ้นจริงๆแต่ภายภายนอกนั้นบางคนอาจจะไม่ได้พบตลอดชีวิตก็ได้ได้พบก็บพบไม่มากก็มีไอ้ส่วนภา ย, ภายในนี่ไม่มีใครพ้นได้สักคนเดียวเลยจะเป็นคนชั้นสูงคนชั้นกลางชั้นต่ำอะไรก็เว้นไม่ได้เลย จำเป็นอยู่นานปีน่ะนานเดือนไปร่างกายในมันก็ทสุดโทมไปเรื่อยๆไปเมื่อร่างกายทุดโทรมหมายความว่าธาตุท้งสี่มันอ่อนกำลังลงแล้วมันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเมื่อความชราครอบงำเข้ามาแล้วรับประทานอาหารเข้าไป ไฟธาตุก่อยย่อยไม่ค่อยดีเท่าไรนักมันไฟธาตุมัน on. อ่อนก็เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อขึ้นบางบางคนก็ท้องผูกไม่คับท่ายสะดวกแับ น, นี้ก็ไปปล่อยให้มันท้องผูกอยู่นั่นอาหารเก่าก็ทำพิษให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาโมนี้นะ ก็ลองพิจารณาดูวความชราภาพนี้นะมันเป็นยังนงเนี่ยเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่แข็งแรงดีเพราะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรมันก็สมบูรณ์อยู่เต็มที่เนื่องจากบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังไม่หมดมันยังอุปธรรมบำรุงธาตุทั้งสี่อันนี้ให้มีกำลัง เรียแรงดีอยู่ขั้นพอบุญเก่านะมันล้อยหลอลงไปธาตุทั้งสี่ก็อ่อนแอลงเหมือนกันนะ อ, นนอะไรก็อ่อนแอลงไปหมดแต่ถ้าผู้ใดรู้จักบำลงุงธาตุอันนี้ไว้ก็ยังชั่วน้อยพอได้อยู่ยืดไปสักหน่อยอ่าแถนั้นแหละ แต่ถึงจะบำลุงไว้ดียังไงมันก็ไม่ฟังหรอกแต่ว่ามันให้โอกาสได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีไปได้อยู่นานพอสมควรผู้ใดรู้จักรักษาร่างกายสังขารอันนี้ให้เป็นปกติอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าไปให้ท้องผูกต้องพยายามหายาละบายมา ไว้รับประทานตอนรับประทานยาระบายนี่ต้องรับประทานหัวลุ่งนบแต่ตีสี่ไปตอนนั้นไถ้ามันย่อยอาหารหมดไปแล้วยานี่มันเพียงไดีไปขับอาหารเก่าออกไปเท่านั้นเองเมื่อลำไส้กระเพาะมันสะอาดแล้วมันก็ไม่เป็นที่เกิดแห่งเชื้อโรค ต่างๆอย่างนี้นะโรคภัยทั้งหลายสังเกตดูแล้วมันเกิดกับอาหารนี่แหละเป็นส่วนมากเลยบางคนก็ไปดื่มเหล้าอ ม, มากๆเข้าไปหรือว่าสูบบุหรี่มากๆเข้าหรือสูบกัญชายาฟินเฮโรอีนอะไรหมูเนี่ยมันล้วนแต่เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยทั้งนั้นเลย ไม่ใช่เป็นของเรียดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าร่างกายนี้มีคุณค่ามหาศาลต่อตัวเองมากมายโพรการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ราชาตินี้ยากนักยากหนาหรือเกิดมาแล้วจะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้มันก็หายากเหมือนกันเมื่อผู้ใดได้ได ร่างกายสมบูรณ์อย่างว่านี่แล้วก็อย่าไปทำให้ร่างกายนี้วิบัติล่งด้วยการบริโภคสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคภัยทางอันร้ายแรงต่างๆดังกล่าวมานั้นมนอาหารบางอย่างก็เหมือนกันต้องเลือกอาหารอะไรมันแสลงกับโรค ในกายตัวเองนั่นก็อย่ารับประทานมันจะอยากไงก็ไม่เอาเพราะมันให้แต่โทษมันได้ให้คุณต่อร่างกายเช่นนี้ผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้ปฏิบัตริร่างกายนี้ให้ถูกต้องตามสุขานามัยอย่างว่านี้แล้วก็จะมีอายุยืน ไปพอสมควราหาผู้ใดประมาทอย่างว่านั่นเนี่บริโภคอาหารก็ไม่ระมัดระวังเนื้อหาของเสพติดชอบบริโภคของเสพติดดังกล่ามานั้นจนติดงอมแงมและกัชีวิตของผู้นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนจะหาเงินหน้าทองตั้งเนือ้อตั้งตัวใ น, นก็ไม่ได้เลย เพราะว่าคนเสพของเสพติดต่างกล่าวมานั้นแล้วมันกำลังกายก็ลดน้อยถอยลงกำลังใจก็ไม่เข้มแข็ง เ, ออเพราะว่าร่างกายมันชำรุดตรงไวน้นะจิตใจก็ชำรุดไปด้วยกันธรรมดาปุ้ทชนเป็นอย่างนั้นนี้เพราะของเสพติดอันนี้พระพุทธเจ้าแต่ามันเป็นโทษไม่ใช่แต่เป็นโทษ ในร่ากายเท่านั้นยังเป็นโทษในทางกิตใจใจคุณมัวใจเศร้าหมองเป็นอย่างนี้นะพระองค์เจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วชึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้เราผู้เป็นบริษัทของพระองค์นะก็ควรที่จะทำตามเนะี่ยควรถ้ามีใจเด็ดเดี่ยวไม่รู้อำนาจแก่ตันหา ดังกล่าวมานั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ตามภาษาธรรมดาไปได้ในที่สุดก็จะเป็นการปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานผู้ได้เว้นจากความชั่วร้ายต่างๆดังว่านั้นนอกจากเว้นจากโทษอื่นๆมาแล้วเราก็มาเว้นจากของเสพติดให้โทษ ด, ดังกล่าวมานี่ แชีวิตก็บริสุทธ์สดใสร่างกายก็ปราศ จ, จากโรคภัยอันร้ายแรงก็มีกำลังวังชาได้ประกอบความเพียรสำหรับผู้ที่ทำความเพียรทางจิตใจก็สามารถทำความเพียรได้นั่งภาวนาได้นานทำการงานทำการกุศลอะไรก็ทำได้แข็งแรงเป็นอย่างว่า ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวทำทานอยู่ในวัดราอรามอย่างนี้นะถ้าร่างกายแข็งแรงดีมันก็มีกำลังทำได้มันก็เป็นบุญกุศลมากมายนี่แต่ผู้ใดไม่รู้จักรักษาสุขานามัมของตัวเองแล้วแม่อายุยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคน เช่นนี้ก็อ่อนแอท้อแท้ไม่สามารถจะทำการทำงานอันเป็นบุญเป็นกุศลได้เขามีอันหมูนี้เนี่ะมันต้องให้เข้าใจให้ฉลาดพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดเรียกว่านั่นน่ฉลาดรู้จักรักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจ ให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆเนี่ก็ให้มีสุขภาพอนามัยดีเว้นเสียแต่กรมเวนหนหลังมีมันตามมาสนองเอาอันนั้นแท้มันแก้ไม่ตกก็ตามเรื่องมันถ้าผู้ใดมีกรรมไม่เว้นมาจะก่อนรู้ตัวแล้วก็อดเอาทนเอา อธิษฐานใจละเว้นไม่ทำชั่วห้าอย่างนั่นต่อไปอีกแล้วชาติต่อไปก็จะเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีผู้ใดไม่มีบาปติดตัวนะ น, นี่แต่สำหรับชาตินี้แล้วบาปกรรมตามสนองเอาแล้วไปไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้พิจารณาให้เห็นว่าภัยทั้งหลายเนะี่ยมันเกิดจากมันมีเหตุมีปัจจัยมาไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย อ, อ, อักขีภัยอุทกาภั ย, ภ ย, ภยโจรภัยต่างๆพวนี้ถ้าบคุคคลใดมีกรรมมีเวร มาแต่ชาติก่อนแล้วมันก็ประสบภัยเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผู้ใดไม่มีเวนไม่มีภัยมาแต่ก่อนบางทีก็พ้นจากภัยต่างๆเหล่านี้ไปได้มันต้องเรียนรู้ไปหมดเลยเป็นงั้นภัยภายนอกหน้าน้ากระ ม, ม, มันก็มีปัจจัยมีกรรมมีเวนกรรมชั่วเวนชั่วแต่ชาติก่อนที่ตนได้ทํามา บ้างและบางทีก็อาจจะเกิดจากอุบัิเหตุปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่ต้องอาศัยกรรมเวรแต่ผลหลังอันภัยธรรมชาตินี่มันไม่ว่าละ่ะคนมีกรร ม, ม, มเวรหรือไม่มีกรรมไม่มีเวร <Yeah. S 1> ก็อาจได้ประสบเหมือนกันหมดล่ะแต่ว่าภัยอันเกิดจากกรรมจากเวรจริงๆก็คือทำให้ ร่างกายสำรุดทุดโทรมโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเวียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายอันนี้แทบมันเว้นไม่ได้แน่นอนเลยดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เว้นจากกรรมจากเว้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันจึงจะมีความสุขความเจริญยิงย่งขึ้นไปถ้าหากว่าได้ ท่องเที่ยวไปในสงสารก็ไปดีเกิดดีตายดีเกิดมาแล้วก็ได้ทำบุญกุศลได้ทำความดีต่างๆบุญกุศลมัน่ะพาไปสู่สถานที่พาไปเกิดในสถานที่มีโอกาสจะได้ทำบุญกุศลต่างๆขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละ มันย่อมอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลนั่นนั่นไม่ใช่ว่าจะไปหาเกิดเอาได้ตามประสงค์เมื่อไรอ่ะคนเราอะ่ะแต่เมื่อเราทำบุญกุศลความดีชำระ ก, กายวาจาใจให้สะอาดในชีวิตนี้ในโลกนี้แล้วก็ไม่ต้องปารธนา ให้ไปเกิดที่ดีถึงสุขอะไรต่ออะไรหรอกเมื่อจิตใจมันสะอาดจากปราแจกจากบาปอากุศลแล้วเมื่อตายลงไปในจิตออกจากร่างนี้ไปแล้วบุญกุศลมันก็นาไปเองเนี่ยนาไปบังเกิดที่มีความสุขสบายตามกำลังของบุญที่ตนกระทำแต่ในโลกนี้มันไปนอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นทุกคน ควรพากันตื่นตัวเมื่อบุคคลตื่นตัวได้ละชั่วออกไปจากกายว่าจใจให้หมดทําคุณงามความดีให้มากเข้าไปแล้วเรนี้เมื่อหมดอายุสังขารลงไปหมดบุญลงไปแล้ว่บุญใหม่ที่ทํานี้มันก็นําไปเกิดที่มีความสุขยิ่งกว่านี้ที่ไม่มี โจรภัยอักขีภัยอุทกะภัยสงครามภัยอะไระไม่มีอย่างเช่นสวรรค์อย่างนี้ไม่มีอะ่ะไม่มีภัยเหล่านี้เลยอะ่ะนั่นแหะมีแต่มราณะภัยเมื่อบุญกุศลหมดลงหรือว่าอายุในสวรรค์ขั้นนั้นนั้นมันหมดลองอันนั้นมันก็ต้องได้่มเคลื่อน ไปจากที่นั้นอันนั้นมันหลีกไว้พ้นอีกเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ยังดีกว่าผู้มีกรรมมีเวรอยู่ในโลกอันนี้เสวยผลแห่งกรรมเวรที่ตนทามานี่มันแสนทุกข์แสนยากลำบากจริงๆนะควรพากันตื่นตัวมันก็ไม่ใช่อื่นไกลเลยโทษห้าประการนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง นั่นแหละที่บุคคลล่วงเกินมาเาติก่อนนุนเช่นฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้อดน้ำอดอาหารอะไรต่ออะไรทุบตีแข้งหักขางหักเสียองค์ฆ่าอะไรโมนีกรรมที่ทรมานสัตว์นั้นเนี่ยเท่าที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงง นำมาตกแต่งให้คนเราเกิดมาในโลกอันนี้มีอวัยะวะร่างกายไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้อ้าวกรรมที่ไปลักไปล่อล่อโกงเอาสมบัติฟู้น้าเป็นของตอนมันกระดลบันดาลให้เป็นคนมีทรัพสมบัติมาแล้วก็ถูกโจรเข้ามาจี้มาปล้นเอาหรือไม่เช่แล้วก็ถูกนักเลงดีมาหลอกลวงให้หลงกลเขา เสียเงินเสียทองเป็นล้านล้านก็มีมนีมีผัวมีเมียมาอย่างนี้ถ้าไปแต่ชาติก่อนได้ไปทำชู้จากผัวจากเมียแล้วก็เนี่ยกรรมนั้นตามมาสนองเอาบางทีก็เมียไปวิ่งไปตามชายชู้บางทีผัวไปไปติดหญิงอื่นทิ้งให้เมียกับลูกน้อย อยู่บ้านโดยลำพังอยู่โดยความอดจยากทุกยากนี่แหละโทษแห่งกามเมสุวิชาจารย์อันนี้มันก็แน่นอนแล้วบางคนเกิดมามีลิ้นไก่สั้นพูดรัวๆพูดไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เพราะโทษมูสาวาสบุคคลบางคนชอบพูดเท็จ คือพูดไม่จริงนั่นแหละเพื่อจะให้คนผู้ฟังนั้นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงไปเนี่ยบางทีก็พูดหลอกลวงเอาเงินเอาทองเขาอะไรหมดนี่แหละหรือว่าตนได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตนได้ทำผิดทำไม่ไดีอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเจ้าหน้า ท, ที่เขาจับได้ มาถามปฏิเสธไม่ได้เอาไม่ได้ลักหรือเจ้าของบ้านตามทันก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาแต่ ว, ว่าโกหกเอาดื้อๆไปอย่างนั้นบางคนก็ไปเล่นชู้จากผัวเมื่อผัวจับได้ผัวไทยถามก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เล่น สบสรบาลให้ผัวอย่างน้นอย่างนี้มูนี่กรรมมูนี่แหละมันตามสนองคนเรานะเอาว่าบางคนก็ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาพินเฮโรอิ น, นเข้าไปแล้วอันกรรมเวรดังกล่าวมาเนี่ยต้องไปตกนรกก่อนนะเมื่อพ้นจากโลกมาแล้วบาปกรรมยังไม่หมดมันก็ตามมาสนองเอาอีกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่า ทำบาปกรรมในชาตินี้ตายไปแล้วมาเกิดเป็นคนอีกมาสวยบาปกรรมอันเป็นคนนี้สีเดียวเลยนี่ไม่ใช่น ะ, ะต้องไปนรกก่อนพ้นจากนรกมาแล้วก็จึงมาเกิดเป็นคนบาปกรรมไม่หมดมันก็ติดตามมาให้ผลตออย่างนี้เนะี่ยที่ได้รับทุกข์ทนทรมานแต่ตอนไปต่องนรกนั่น เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วระลึกชาติถนหลังไม่ได้เหมือนกับว่าตนไม่ได้ไปสู่นรกเลยเหตุนั้นคนเรามันจึงไม่เข็ดไม่ลาบนั่นเองเน่เรื่องมันนะถ้าผู้ใดระลึกชาติหนหลังได้แล้วก็คงจะเข็ดลาบไปมันรู้เรื่องของตัวเองว่าไปทนทุกทรมานอยู่ในนรกอยู่ในเปรตอะไรพวกนี้นะนานแสนนานอย่างนี้มันก็เบื่อหน่าย มันจะอาจจะเว้นความชั่วเหล่านั้นได้แต่คนส่วนมากมนเลืกชาติหุ้งหลังไม่ได้เลย mm hmm. เหตุนั้นมันจึงไม่เบื่อหน่ายบางคนก็กรรมเวรมันหมดแล้วแต่ชาติก่อนๆ น, นู้นบุญนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมามีอายะร่างกายสมบูรณ์ดีก็เลยนึกว่าตอนนั้นไม่มีบาปมีกรรมอะไร นึกว่าตนนั้นมีความสุขมากโรคภัยข้าเจ็บก็ไม่เบียดเบียนเงินทองข้าของอะไรก็มีมากเกียรติยศชื่อเสียงก็ดโด่งดังมีคนน้ำหน้าถือตาได้เป็นใหญ่ในเศรษฐกิจบ้างได้เป็นใหญ่ในการเมืองบ้างอะไรต่างๆนนี้ก็ลืมตัวอะไรนึกว่าตน ไม่เคยได้ตกนรกมาแต่ก่อนระลึกไม่ได้นี่ไม่เหมือนจึงไม่เบื่อหน่ายต่อความชั่วบางคนมีเงินมีทองเลยแทนที่จะรักษาสินในบริสุทธิ์ได้ไม่เลยไม่รู้นี่มันเมาเมาในลาบในยศเนี่ยมีเงินมีทองเอาซื้อน้ำดื่มอัน ท่านเยี่ยมเยี่ยมคนมาดื่มกันเช่นเบียบ อ, อะไรเท่าอะไรเล่าราคาแพงๆเอามาดื่มกันสนุกสนานนี่แหละความไม่เชื่อพระพญญาติสรู้ของพระพุทธเจ้าความหลงความเมาก็ามไม่ได้นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปตามนาจของกิเลสและไม่กลัวบาปลกลัวกรรมอะไรเลยยิ่งเพีย ง, งในคนเราอ่ะ ผู้ใดตื่นตัวได้รู้สึกตัวได้เชื่อพระปัญญา ต, ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อทำความชั่วเดังกล่าวมานี่แล้วหากไม่ละไม่วางทำเลยไปจนตลอดชีวิตลงไปแล้วอย่างนี้ก็มีหวังได้ไปนรกแน่นอนเลยแต่ถ้าผู้ใดทำมา ครึ่งคึ้งกลางๆแล้วรู้สึกตัวได้ไม่ไม่ได้ทำตลอดชีวิตไปอย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละเว้นเสียแล้วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เมื่อทำบุญกุศลอบรมจิตให้สูงขึ้นไปเป็นอย่างว่านี่พระศาสดาก็ไม่ทรงสอนในละบาปเลย พระองค์พี่นาเห็นแล้วบาปที่เป็นลหุกรรมเป็นกรรมเบาเนี่ยบุคคลสามารถละได้เหตุด้านพระองค์เจ้าจึงสอนให้ละคําาสอนให้ละนี่ก็หมายความว่ามันได้ทํามาแล้วได้ทําบาปมาแล้วแต่ก่อนไม่ตื่นตัวไม่รู้ตัวเมื่อได้ฟังคําสอนของบุตรเจ้าแล้วตื่นตัวได้กลัวบาปแบบ น, นี้นะก็ เพียงพยายามละได้อยู่พระองค์เจ้าตัดไว้เป็นเสียแต่อนันตริยกรรมกรรมห้าอย่างนั้นเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพโลหิตทไหท่หอบคืนไปทำสงให้แตกจากกันเช่นนี้นะกรรมห้าอย่างนี้หลีกไม่พ้นเลยผู้นั้น รู้ตัวแล้วทำความดียังไงในชาตินี้เท่าไรก็พ้นไม่ได้เลยตายแล้วต้องไปสู่อาเวจีมหาน ร, รกเมื่อพ้นจากอาเวจีมหาน ร, รกมาโน่นแหละถึงจะมาได้มาเสวยผลบุญที่ตนทำให้เข้าใจอเป็นอย่างนี้ดังนั้นนะทุกคนนะต้องให้พิจารณาดูให้มันเห็น เมื่อผู้ใดได้พิจารถึงพระพุทธเจ้าถึงประคุณของพระองค์ความดีของพระองค์ที่กระทํามานะพระองค์จะเป็นผู้วิเศษแต่อย่างนั้นพรพระองค์ละบาปไม่ทําบาปห้าประการนี้แล้วแถมก็ยังรักษาอุโสถสิลตอนเป็นพระโพธิสัตว์ น, นนะพระองค์ก็รักษาศิลอุโบสถ แม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็รักษาศีลนุโมสดก็มีบางชาตินะเช่นชาติเป็นพญานาคชื่อว่าภูริทัตตะนชาตินั้นก็ได้เสด็จจากเมืองนาคขึ้นมารักษาศีลแปดอยู่พื้นชมพูทวีปเป็นพิธีอยู่ของมนุษย์เนี่ยอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น บุญบา ร, รมีของพระองค์จึงได้แก่กล้ามาโดยลำดับในที่สุดก็เต็มได้ถ้าหาก ว, ว, ว่าพระองค์ไปทำแต่บาปผ้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาในทุกชาติทุกรบมางี้ไม่ไหวไม่ได้เพียรู้เจ้าหรอกก็มีแต่จะไปเสวยบากกรรมอยู่ในนรกอ่ะมายภูมิดังว่านั้นฮะ จะเอาโอกาสที่ไหนแล้วมาสร้างบารมีอแต่ทีนี้พ ร, ะ, พระองค์ละกรรมชั่วห้าประการนั้นเสียแล้วดับคั้นบันเลยไปก็ไปเกิดสวรรค์บางชาติก็ไปเกิดนรกไปเกิดพรหมโลกชาติใดที่ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญกสินชานอยู่ในป่าได้บรรลุ ก, กสินชาน หมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกแต่ดูมันจะมีน้อยหรอกที่ไปเกิดในพรหมโลกเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าไปเกิดพรหมโลกแล้วอายุมันยืนยาวนานไม่ได้สร้างบารมีเพียงแค่ไปเกิดสวรรค์นี่เราเป็นส่วนมากเลยแต่นั้นหมดอายุบนสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดในโลกนี้ ก็มาสร้างบุญบรารมีเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆอ่าเป็นอย่างนี้แหละเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆผู้ดใดไม่มันนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละเป็นเหตุที่ไม่ให้เชื่อคําสอนของพระองค์อ่ะแม้ปฏิ ญ, ญาณจนเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนา มาแต่อ้อนแต่ออกน้นก็าตามออันนับถือนําเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันปฏิบัติตามคําสอนเป็นอีกเรื่องหนึง่งอ่านับถือเฉยเพียงแค่กราบแค่ไหว้เท่านี้ก็ได้ชื่อว่านับถือบุรุศาสนาเหมือนกันแต่ว่าป้องกันบาปไม่ได้นับถือแค่นั้นนะอะต่อเมื่อได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติตามเชื่อคําสอนของพระเจ้า ว่าพระองค์ตัดว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วก็เชื่อว่าต้องเป็นบาปจริงๆเลยแล้วก็พี่นาหเห็นด้วยปัญญาของตัวเองด้วยไม่ใช่เพียงแต่เชื่อตามที่พระองค์เจ้าแสดงบัญญัติไว้เท่านั้นพี่นาหเห็นด้วยปัญญาของตนวนะ่าอ้อยกตัวอย่างเช่นว่าทรงบัญญาาัติธรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะเมื่อพี่นาโดยเหตุผลแล้วก็ ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วยอมรักชีวิตตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนทําลายให้มันตายไปเองหมดอายุแล้วตายไปเองก็เป็นอย่างนี้ทุกประเภทเลยสัตว์เกิดมาในโลกอันนี้ทั้งมนุษย์ก็ดีสัตว์ที่ไร้ชานก็ดีก็เป็นอย่างนี้รักชีวิตของตนมุดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะหากว่ามนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งไป จับสัตว์มาจากฆ่ามันนี่มันก็กลัวตายแต่มันพูดไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมิแต่มันดิ้นการที่มันดิ้นนั่นแหละที่ว่ามันกลัวตายมันไม่อยากตายแต่มนุษย์มันไม่มีเมตตาการุณาเลยนึกอยากจะ ก, กินแต่เนื้อของมันเท่านั้นเองเช่นนี้แหละแล้ววันนี้เมื่อเวลาหากว่าคนอื่นจะมาทุบมาตีตนล่ะตนก็ยังกลัวตายเหมือนกันเนี่ย ตนก็ป้องกันตนเต็มที่เลยถ้าหลีกไม่พ้นแล้วจึงยอมตายถ้าหาว่าบุคคลมานึกถึงสัตว์อื่นแล้วก็มาเทียบกับตัวเองได้อย่างนี้แล้วเป็นอันไม่ฆ่าสัตว์แน่นอนเลยมันเป็นอย่างนั้นโดยเหตุผลเนี่เป็นอย่างนี้แหละแต่คนเรานะ่ยมันไม่ได้พิพจารณาเทียบเขากับเราใส่กัน มีอาศัยแต่ความอยากอาศัยแต่อวิชชาความไม่รู้เหตุรู้ผลในพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านั้นนะไม่ได้สนใจเลยเหตุทางนั้นมันจึงล่วงศีล น, นั่นไปได้เมื่อล่วงศีลไปได้แล้วบาปกรรมที่ทำนั่นมันไม่ใช่มันให้ผลปุ๊บปั๊บทันทีเลยมันไม่ให้ผลก่อนมันให้สบายสบายไปอย่างนั้นแหละ เพราะว่าบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนนั้นยังให้ผลอยู่บาปกรรมที่ทํามันจึงให้ผลไม่ได้แต่ใ น, นเมื่อเวลาบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงเมือ่อใดแล้วก็บาปที่ทํานี้มันก็ได้โอกาสแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสว่ามันบาปกรรมอันนี้นะ่ะมันจะไปให้ผลเอาเวลาจวนจะตายเมื่อบุญเก่าหมดลงไปเมื่อบาปกรรมอันนี้มันก็ฉุดข้าเอาดวงขิดนี้ไป เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตามบาปกรรมที่ทํานั้นมากหรือน้อยหนักหรือเบาก็เป็นอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดมาดังนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธนี่ควรที่จะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทแท้ๆไม่ควรจะไปเชื่อตัณหาความอยาก มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนชักจุงให้ไปทำบาปทำกรรมเวนใส่ตัวเองแล้วตายแล้วไปได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกหน้าต่อไป อ, อย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายตัวเองไม่ปาถนาดีตัวตัวเองไม่รักตัวเองไม่ต้องการอยากจะยกยอตัวเองให้พ้นจากทุกข์ต่างๆเหล่านี้เลย น่าเสียดายจริงๆนะการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะควรพากัน พ, พิจารณาตรีตองให้ดีมันบุญกุศลมีมันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้คิดอย่างนี้เมื่อบุญมาตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วเราก็ต้องใช้กายวาจาอันนี้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น เช่นนี้มันจึงค่อยดีว่าถูกต้องจึงค่อยเหมาะสมกับความเกิดมาเป็นมนุษย์สมกับว่าผู้มีบุญหาเราอาศัยบุญเก่าแล้วสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างบุคคลผู้มีทุนมีรอนก้อนหนึ่งแล้วอย่างนี้ก็ลงทุนค้าทำการค้าขาย นำกำไรมาเพิ่มของเก่าให้มากขึ้นโดยลำดับผู้มีปัญญาทำการค้าไปไปแล้วมันก็ได้กำไรเพิ่มเติมมาเรื่อยๆในสุดก็เป็นเศรษฐีได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้มีบุญกุศลเป็นทุนเป็นรอนมาแต่ชาติก่อนแล้วมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้แล้ว รู้จักใช้กายวาจาทำกุศลขุนงามความดีรู้จักละเว้นจากกรรมอันชั่วดังเก่ามานั้นได้ชีวิตของผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เป็นหมัน เ, เกิดมาแต่ละชาติก็ได้โอกาสสั่งสมบุญบรารมีให้เต็มความสามารถเลยทีเดีย ว, วเพราะมันไม่มีบาปมาสกัดกั้นาทางเดินแห่งชีวิต ผูนั้นก็ดาเนินไปตามทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษเดินตามทางความสุขความเจริญอาศัยบุญเก่านันหนุนทรงขอให้เข้าใจอันบุญนี้จึงชื่อว่าเป็นมิตรเป็นสหายอันสนิทสนมใกล้ชิดจริงๆเลยใกล้ชิดกวัวมิตรกวัวญาติกวัวสาายภายนอกเป็นไห น, ไหน เพราะว่ามิตรสหายภายนอกนั่นนะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะได้คบกันอยู่ตลอดเวลานานๆยิงได้พบกันครัง้งหนึ่งนานๆยิงได้ช่วยเหลือกันครั้งนึงไอ้บุญกุศลที่บุคคลกระทำให้เกิดให้มีในจิตใจของตัวเองมาแต่ชาติก่อนแล้วพอเกิดมาชาตินี้บุญกุศลก็มาเตือนจิตให้นึกถึงตัวเองได้ เช่นว่าแต่ชาติก่อนนั้นบุคคลได้กินได้ฟังคําสอนผู้เจ้าว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเก่ต้องเก็บต้องตายต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจผู้ใดทํากรรมบรรได้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นจำเอาได้เอาไปคิดไปกรองจนละความชั่วได้ทําความดีให้เกิดมีในตนเมื่อตายจากชาตินั้นแล้ว หากว่าได้โอกาสเ้ามาเกิดเป็นคนอีกนี่แหละบุญกุศลอันนั่นแหละเป็นอุบณินิสัยปัจจัยติดตามมา ม, มาตักเตือนจิตใจให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายได้ระลึกถึงความพลัดผ้าจากกันได้ระลึกถึงบุญและบาปผู้ใดทำบุญย่อมเอาหน่อยผลได้เป็นสุกกิ้ง ผู้ใดทำบาปย่อมออมนวยผลได้เป็นทุกข์จริงไอ้บุญเก่านั้นมาเตือนใจให้เกิดความเชื่ออย่างนี้เรื่องมันนะไอ้บุคคลที่ไม่ได้สดับศับฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนไม่สนใจในบาปบุญคุณโทษตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้ได้สนใจก็ทำบุญดำทานมาตามประเพณีเท่านั้นเองอที่จะน้อมเขา้าคำสอนพระพิจารนา ให้เห็นบาปเห็นบุญจริงๆนะไม่มีอย่างงี้นะผู้เช่ น, นั้นเกิดมาในชาตินี้มันก็ไม่สนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรไม่สนใจที่จะฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันสมกับที่ว่าผู้ใดทำกรรมอะไรย่อมได้รับผลแห่งกรรมอ น, นั้นนะมันเป็นความจริงแท้แล้วผู้ใดสนใจในศีลธรรมมารถชาติก่อนมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติตามา พอมาชาตินี้มันก็นเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาแล้วก็ตื่นตัวได้ในบุญเก่าก็มาสมทบด้วยทั้งบุญใหม่ที่ทำในปัจจุบันมาสมทบเข้าไปอีกก็ทําให้มีศรัทธาแรงกล้าขึ้นในอันที่จะปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่มันมีเหตุมีปัจจัยเป็นมาอย่างนี้คนเรา呐นะ่ะนั้นทุกคนอย่าไปลืมบุญเก่าของตัวเองอย่างผู้ที่ได้มาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ชาติก่อนตนคงได้ยินดีในการบวชถ้าไม่ได้บวชก็ดีก็ได้เป็นเจ้าภาพบวชลูกบวชล้านบวชญาติมิตรผู้มีศรัทธาทั้งหลายนั่นความยินดีในการบวช อย่างนี้มันก็เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเมื่อมาพบพุทธศาสนาในชาตินี้ก็ยินดีในการบวชผู้ที่ไม่ได้ยินดีในการบวชเรียนในพุทธศาสนามาแต่ก่อนไม่ได้เป็นเจ้าภาพบวชนาคบวชอะไรเลยอย่างนี้นะตัวเองก็ไม่ได้บวชเพียงแต่ได้ยินดีทำบุญําทานไปกับเพื่อนธรรมาดาเฉย ผู้เชฉะนั้นแล้วถึงเกิดมาในชาตินี้ก็ไม่มีจิตยินดีอยากจะบวชเรียนเลยไม่มีความสามารถแล้วเป็นอย่างนี้แหละเหตุปัจจัยของชีวิตนี่นะ่ะให้พากันพิจารณาให้เข้าใจเมื่อผู้ใดเนีพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อสามารถละบาปบำเป็ญบุญได้ะดังกล่าวมานั่นแหละ ชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปอากุศลต่างๆเมือ่อกายวาจาใจปราศจากบาปอากุศลต่างๆแล้วบุญกุศลอันนี้ยิ่งโดนบันดาลให้ชอบบุญชอบกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีถอยหลังบุญกุศลอันนี้มันกระดนบันดาลให้เบื่อหน่ายในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ ให้เบื่อานในบาปกรรมความชั่วทั้งหลายเห็นเขาทำความชั่วทั้งหลายก็ไม่พอใจไม่ชอบเลยนี่บุญกุศลมันโดนบรันรดาล น, นะมันเป็นอย่งนั้นเห็นเขาทำกุศลคุณงามความดีชอบใจปรารถนาที่จะทำาบนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้ายัางทรงจัดว่า บุคคลครบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นตั้งแต่ก่อนเคยพบนักปราชญ์บัณฑิตมาเคยได้ทำกุศลคุณงามความดีกับนักปราชญ์นักปราชญ์ท่านชักจูงแนะนาอย่างนี้เนะมื่อก็เป็นอุปนิสัยประใจติดมาบุญกุศลก็ส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วก็ให้ไปบรรดาให้ได้ไป พบนักปราชญ์บัณฑิตให้ยินดีเรื่มไสในนักปราชญ์บัณฑิตนั้นเบือ่อนายต่อคนผ่านบันนี้นะอะนี่แหะอนุภาพของบุญกุศลขอให้เข้าใจกันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะการทําบุญทํากุศลนี่นะมีเหตุผลดังกล่าวมานี้ถ้าจะพนานาไปมันก็มากมายนะ คุณค่าแห่งบุญแห่งกุศลความดีนี่นะดังนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจไว้ว่าบุคคลจะพ้นทุกไปได้ในขั้นใดๆก็อาศัยบุญกุศลีนทั้งนั้นเลยจะถึงพระนิพพานก็พ่อทำบุญกุศลให้เต็มบริบูรณนะ์เมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์แล้วส่วนมากก็บุญกุศลดนบรนดานให้ออกบวช ในตําราทางกล่าวไว้ดังพระษาวกของพระเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านผู้มีบรารมีอันแก่กล้านเต็มมาแล้วพอได้ฟังทำคําสอนของพระองค์จบลงเท่านั้นแหละบางท่านก็สําเร็จอราหันเลยแต่ยังไม่ได้บวชแต่บางท่านบางเราก็ยังไม่ได้สําเร็จแต่มีศรัทธาอยากบวช อย่างแรงกล้า อ, อย่างนี้แหละก็ขอบวชกับพระศาสดาเลยเหมือนอย่างพระรัฐบาลชื่อรัฐบาลเป็นลูกเศรษฐีนี่พอได้ไปฟังทมคำสอนพระตัเจ้าแล้วพระองค์ตรัสว่าการที่บุคคลจะพ้นทุกข์ไปได้นั้นก็ต้องอาศัยการบวช จะพ้นทุกไปโดยจริงจังแล้ว อ, อย่างนี้ผู้อยู่ครองเรือนี้ย่อมมีกิจห่วงใยอะไรกิจการงานต่างๆไม่มีโอกาสที่จะได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสได้ท่านได้ฟังอย่างนี้แล้วท่านก็อ๋อเป็นความจริงเลยมีทรัพย์สมบัติมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเท่านั้น ตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยอย่างนี้ออย่าเลยเราจะขอบวชกับพระสาทธรรมเสเลยขอบวชกับพระองค์พระองค์ก็รับสั่งให้ไปลามารดาบิดาเสียก่อนท่านก็ไปลามารดาบิดานิดามารดาไม่อนุญาตทีแรกเมื่อแม่อนุญาตท่านก็อดข้าวเลยอดข้าวไม่ยอมทานข้าวเลยจะ ถ้าไม่อนุญาตแล้วก็ให้ตายไปเลยโนนท่านผู้มีบุญบา ร, รมีแก่กล้าแล้วใ จ, ใ, จใจเด็ดใจเดียวพ่อแม่กลัวลูกจะตายก็เลยต้องอนุญาตให้ไปบวชได้ท่านรับทานอาหารมีกำลังดีแล้วก็หาเครื่องบริขารเสร็จแล้วก็ไปบวชกับพษษระศาสดาองค์ก็บวชให้บวชให้แล้วท่านบำเพ็ญเพียรไป ไม่นานก็ได้สำเร็จอราหารันแล้วก็เมื่อสำเร็จอราหาันแล้วก็ไปโปรดเอามารดาบิดาให้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทางอดีตพัน ญ, ญาด้วยมุนี น, นี้ประวัติของพระรัฐบาลก็พอเอาเป็นตัวอย่างได้สำหรับคนมั่งมีสีสุขมีเงินทองมากๆผู้มีบุญบรารมีแก่กล้ามันก็สมควรจะพิจารณา ให้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านี้แหละแล้วก็ควรจะถอนตัวออกไปสเสแวงหานิรามิตสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยอามิตรคือสิ่งของอันนี้เป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆไม่อิงอาศัย รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแหละอาศัยความบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะงการชำระอาศวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิต ด, ดวงนี้จิต ด, ดวงนี้ก็พึ่งตัวเองได้หมายเขาว่าอย่างนั้นไม่ไปพึ่งรูปร่างกายที่เคยเกิด เคยแก่เจ็บตายมาแต่ก่อนไม่เอาแล้วมันไม่เที่ยงไปยังยืนอะไรในรูป ก, กายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นของให้มีความสุขชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อำนวยความสุขให้ยั่งยืนอะไรเลยนี่ทางกูพิจารณาเห็นเนี่ยคนมีบุญมากแล้วต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารเหตุ น, นั้นถึงได้ ลามานดาบิดาออกปวดพวกเราก็ได้ชื่อว่ามีบุญที่ได้มาบวชในพุทธศาสนานี้ดังนั้นบุญอันนี้มันก็ยังเป็นโลกีอยู่หากว่าเราไม่พยายามสั่งสมบุญสั่งสมบุญให้มากขึ้นไปกว่านี้มันจะสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ผู้บวชเข้ามาแล้วสึกออกไปก็เพราะมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้นั่นเองเรื่องมันน่ะ ดังนั้นควรพากันบำเพ็ญสมาธิปัญญานี่ให้เจริญให้แก่กล้าขึ้นสำรวมในสินให้บริสุทธิ์เข้าไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วบุญกุศลมันก็มากขึ้นโดยลำดับเมื่อบุญกุศลมากขึ้นแล้วมันก็สู้กับกิเลสได้ปะเนี้กิเลสก็ครอบงมจิตไม่ได้ฮมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นครือหัด บำเพ็ญบุญกุศลงากๆเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในบาปในโทษไม่ทำบาปแล้วไม่ทำบาปเพราะปากเพราะท้องไม่ทำบาปเพราะลาบยศสรรเสริญเยนยอต่างๆไม่เอาจะพยายามชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษให้ได้แล้วตนจะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุข คือสุขปราศจากเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ปัจจุบันนี้อได้สเสวยสุขสุขบ้างได้สเสวยทุกข์บ้างตามกรรมที่ทําบัดนี้เมื่อบุคคลใดยังละ ก, กิเลสไม่หมดสะสมกรรมดีไว้บ้างกรรมชั่วไว้บ้างบัดนี้กรรมดีหรือกรรมชั่วนั่นกะ นำให้ไปเกิดในอนาคตอีกอนี่นะพระพุทธเจ้ารู้แล้วรู้แจ้งแทงตลอดเลยไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ยังเมื่อกิเลสตัณหาอุปาทานยังมีอยู่ตราบใดมันต้องเกิดอยู่ร่ำไปเพราะจิตดวงนี้มันไม่ตายอย่างที่ว่านั่นแหละมันไม่สาบศูนไปดั่งที่ความเห็นของคนบางพวกบางเรา แต่ไม่ตายแต่มันไม่มีรูปร่างมันไปในความรู้สึกอยู่ในท่ามกลางอกนี้เท่านั้นดังนั้นคนยังชื่อว่าบางคนไปเพ่งไปมองเห็นจิตใจชีวิตอันนี้ไม่มีแกนสารอะไรว่างเปล่าจาก ส, าาสัตร์จากบุคคลเลยแบบนี้ไปลงเห็นลงไปอย่างนี้ก็เลยถือมั่นในความเห็นอันนี้ว่า ชีวิตนี่ไม่มีตัวมีตนอะไรตายแล้วศูนย์การกระทําบุญหรือบาปก็ไม่มีผลตามสนองเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเราจะเอาบุญเอาบาสมาสนองได้อย่างไรมันก็เห็นไปอย่างนั้นแล้ ว, วันนี้นะคนเห็นผิดอ่ะอข้อนี้สําคัญมากเลยให้ระวังไว้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มาภาวนามาถึงตรงนี้ลราตรง ต้องศูนย์ยตานี่นะความที่ว่าทุกสินุกอยามันศูนย์จากสัจจากบุคคลเนี่ยนี่สำคัญมากตรงนี้ก็มันศูนย์จริงนะรูปธรรมนามธรรมอันนี้นะมันไม่ใช่เป็นของใครโดยเฉพาะเลยเมื่อจิตใจยึดถือบาปบุญแล้วบาปบุญนั่นก็ นำจิตที่มาปฏิสนธิในท้องมารดาแล้วก็มาตกแต่งธาตุของมารดาบิดานี่ให้เกิดเป็นรูปเป็นกายอันนี้ขึ้นมาให้จิตดรงนี้ได้อาศัยเท่านั้นเองน ะ, ะเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงรูปอันนี้นะ่กะก็เท่านั้นแหละดังนั้นนะ่ะเมื่อรูปอันนี้มันแตกสลายลงแล้วมันยังเหลืออะไรบ้านี้ ก็ยังจิตสวนนวนนิวันนี้ดวงจิต ด, ดวงนี้เมื่อเวลาธาตีกันหน้ามันจะแตกกระดับไปวันนี้มันมันก็ถอนตัวออกไปมันไม่ใช่ศูนย์ไปกับขันธ์หน้านี้ไม่ใช่มีบุญบาปนําไปถ้าท่านผู้ละอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วรูปแตกนามดับไปแล้วจิตท่านก็เข้าสู่นิพพานก็ ไม่ได้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปเพราะว่าไม่มีเหตุปัจจัยใด น, นำจิตของท่านไปแล้ววะนี้ละราคะโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงอะไรอะไรหมดสิ้นไปจากจิตใจแล้วเหตุตั้นท่านจึงไม่ไปเกิดอาศัยขะนหน้าอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อะไรต่อไปอีก นี่เป็นที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้ทรงถือว่าพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข์